รูดอลกวางเรนเดียร์จมูกแดงก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในนอร์โพลมีเซนนิโครัสอากาศเซนต์คอสอาศัยอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่กับคุณนายคอสเอลฟ์และกวางเรนเดียร์ซานต้าทำงานเป็นซานต้าก็ ย, ยุ่งเกี่ยวกับการจัดของขวัญด้วยความช่วยเหลือจากเอลฟ์แต่ครั้งนี้คริสต์มาสจะแตกต่างออกไปซานต้า กำลังจะให้ของขวัญพิเศษแก่ตัวเองในคืนที่หนาวเหน็บกวางเรนเดียร์น่ารักได้ถือกาเนิดขึ้นมีชื่อว่ารูดอฟแต่กวางตัวน้อยนี้ไม่เหมือนกับกวางตัวอื่นเขาเกิดมามีจมูกสีแดงที่สว่างจ้าแต่รูดอฟไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงพิเศษเห็นรูดอฟบ้างไหมจมูกเขาแปลกมากสว่างจ้าและก็เป็นสีแดงด้วย เหมือนตัวตลกเลยแล้วมันก็ใหญ่มากไม่มีกวางตัวไหนที่จะโหนใหญ่กลมและเงาแบบนั้นดูสิมันตลกแค่ไหนกวางทุกตัวล้อเลียนจมูกของรูดอฟพวกเขาไม่ได้สังเกตว่านั่นทําให้รูดอฟนั้นต้องเศร้าใจมากรูดอฟรู้สึกเศร้าตลอดเวลาและรู้สึกแตกต่างจากคนอื่นทําไมฉันถึงมีจมูกที่สว่างและก็เป็นสีแดงทุกคนล้อเลียนฉัน ไม่มีใครเล่นกับฉันฉันไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยแต่รูดอฟจะได้รู้เร็วๆนี้ว่ามันเป็นของขวัญคืนนั้นเป็นคืนก่อนวันคริสต์มาสซานต้าได้เตรียมกางเรนเดียร์เพื่อที่จะบินไปทั่วโลกเอลฟ์ทำงานหนักบางตัวทำความสะอาดหิมะในขณะที่บางตัวก็ช่วยซานต้าเตรียมของขวัญใส่กระเป๋าและดูรายชื่อเด็กดื้อและเด็กดีโอโฮโฮ เอาละทุกคนเราเหลือเวลาไม่มากแล้วก่อนที่เราจะไปใช่ใช่พวกเขากําลังเตรียมพร้อมอยู่เลยแล้วคุณล่ะสูตรของคุณอยู่ที่ไหนคุณวีหนวดและผมของคุณแล้วหรือยังผมเออใช่ผมจะไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่นานหรอกนะสามีที่รักคุณน่ะเหลือเวลาแค่อีกไม่กี่นาทีแล้ว และทุกๆปีเราต้องทำชุดให้มันใหญ่ขึ้นมากมากเลยล่ะดูสิท่านใดนั้นเปเปอร์มิสติกเอลที่ฉลาดที่สุดของซานต้าได้เดินเข้ามาและเขาดูกังวลและเครียดมากซานต้าคุณนายซานต้าฉันมีข่าวร้ายมาบอก ดูเหมือนว่าจะมีหมอกหนาไปทั่วทั้งโลกหนามากด้วยแม้แต่ตาของขวานของเราก็ยากที่จะมองเห็นโอ้พระเจ้าแบบนี้ไม่ดีเลยฉันต้องส่งของขวัญคืนนี้เด็กๆทั่วทั้งโลกรอของขวัญอยู่เราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วละ่ะเราจะทํำยังไงกันดีโอ้ เราต้องคิดอะไรบางอย่างเราไม่สามารถนั่งอยู่ที่นี่ได้มีใครสามารถช่วยได้บ้างหรือเปล่าเราสามารถติดไฟข้างหน้าได้ไหมไม่ไฟของเราก็ช่วยไม่ได้หรอกบางทีเราน่าจะเอากวางเด็กไว้ข้างหน้าตาของเขาอาจจะมองผ่านหมอกได้ดีกว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีเพราะว่าไม่ว่าจะเด็กแค่ไหนหมอกมันก็หนาเกินกว่าที่จะมองเห็นได้งั้นนะ ก็บอกแผนของคุณมาสิว่าคุณนะ่ะคิดอะไรอยู่กันแน่ฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะชิวอ๋อฉันว่าฉันคิดหาทางออกได้แล้วละ่ะเอ้เพื่อนดูดอคืนนี้ทําอะไรหรือเปล่าวังว่านาจะว่างนะเออไม่ได้ทําอะไรซานตา้าแต่ว่าคุณรู้ชื่อผมได้ยังไงฉันรู้ชื่อกวางเรนเดียร์ของฉันทุกนู่มม เดชเชแล้วก็แดนเซอร์เฟรเซอร์วินเซนต์คอมเมนคิวปิดดันดและบิเซมรูดอฟไม่อยากจะเชื่อว่าซานตาจะรู้จักชื่อเรนเดียทั้งหมดอีกครั้งนะเอาละเดชเชแดนเซอร์เฟเซอร์วินเซนคอมเมนคิวปิดดันดและบิเซม คุณทำอะไรของคุณคะเนี่ยเราไม่มีเวลาแล้วนะคุณคิดได้แล้วเหรอใจเย็นเยนหน้าคุณภรรยารูดอฟจะช่วยเราคืนนี้คุณเกงนาจะนำทางให้ฉันคืนนี้ได้ใช่ไหมรูดอฟแปลกใจกับข้อเสนอของซานตา้าเขาไม่ได้คาดหวังสิ่ง น, นี้เขามองกวางตัวอื่นที่กำลังตื่นตกใจรวมถึงคุณนายคอสและเปเปอร์ด้วยแต่ซานต้ามั่นใจกับแผนของเขา ผมไม่คิดว่าผมทำได้ผมไม่มีประสบการณ์เลยไรยสาระนะนายต้องทำได้เราต้องการนายนะคืนนี้มาเร็วรูดอฟน้ำทางเราเปเปอร์เตรียมตัวให้รูดอฟเปเปอร์และคุณนายคอสแต่งตัวรูดอฟให้เหมือนกับกวางตัวอื่นและเตรียมพร้อมให้เขาคุณแน่ใจนะเรื่องนี้นะ่ะใช่แล้วที่รัก ผมรู้สึกกับตัวเขาและจมูกที่สว่างสีแดงของเขาจะนําทางผมไปตลอดทุกคนพร้อมแล้วหรือยังย่อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวความปลอดภัยต้องมาก่อนเอาละแดนเซอร์ฟพร้อมแดนเซอร์พร้อมเลเซอร์พร้อมวินเซนพร้อมคอมเมนตพร้อมคิวปิดพร้อมดันเดอร์และบีเซมย่อและรู่ดอกขึ้นไปบนระเบียงขึ้นไปบนกําแพงและตอนนี้ทนเข้าไป เข้าไปวียนของซานตาเคลื่อนที่ไปช้าๆและเข้าไปในท้องฟ้าที่มืดมิดรูดอร็อกกังวลใจเขาไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงบ้างกวางตัวอื่นจ้องมองรูดอร็อกพวกเขารู้แล้วว่ารูดอร็อกนั้นพิเศษยังไงและรู้สึกผิดที่ล้อเลียนรูดอร็อกไปเมื่อทุกอย่างเริ่มมืดมากขึ้นหมอกหนามากขึ้นรูดอและกวางตัวอื่นๆแทบมองไม่เห็น รูดอฟหันไปมองซานต้าที่กำลังยิ้มให้กับเขาเอาละเจ้าหนูเอาลเอาลยหมอกหนามากรูดอฟหลับตาและจมูกของเขาก็ส่องสีแดงสว่างจ้ามากกว่าเมื่อก่อนมันนำทางซานต้าและกวางตัวอื่นๆพวกเขาเชียร์รูดอฟด้วยความสุขด้วยความช่วยเหลือจากจมูกสีแดงสว่างและกวางตัวอื่นทให้ซานต้า สามารถส่งของขวัญให้กับเด็กทุกคนได้ทันในคืนวันคริสต์มาสฉันบอกนายแล้วใช่ไหมว่านายพิเศษนายจะนำทางเกวียนของฉันด้วยจมูกที่ส่องแสงสว่างนายคือของขวัญวันคริสต์มาสของฉันและตลอดมารูดอปเป็นกวางนำเกวียนของซานตา้าผ่านกลางคืนผ่านหมอกผ่านหิมะรูดอป จะอยู่ข้างหน้าเพื่อ น, นำทางอยู่เสมอมันวิเศษมากเลยใช่ไหมล่ะคะรูดอฟน่ะเคยกังวลเรื่องจมูกของเขาและมันก็กลายเป็นเรื่องที่วิเศษมากยังไงก็ตามแล้วนั่นทำให้รูดอฟพิเศษมากขึ้นครั้งหน้าหากมองขึ้นไปยังบนท้องฟ้าแล้วเห็นเกวีนของซานต้าบินอยู่ในคืนนั้นลองมองดูค่ะว่าเห็นกวางจมูกแดงสว่างจ้าไหมเพราะว่าเขาอยู่ในประวัติศาสตร์ค่ะ